บุกทูแปดอ <O te. S 2> เวลาล <is> ขอโทษครับก <sk> กี่โมงแล้วครับเบลเออร์คล็อกนขอบคุณมากครับ มันเป็นเวลาหนึ่งนาฬิกามันเป็นเวลาสองนาฬิกามันเป็นเวลาสามนาฬิกามันเป็นเวลาสี่นาฬิกา กลอกน์เอมันเป็นเวลาห้านาฬิกากลอกมันเป็นเวลาหกนาฬิกาก๊ล็กอกมันเป็นเวลาเจ็ดนาฬิกาลอกมันเป็นเวลาแปดนาฬิกา มันเป็นเวลาเก้านาฬิกาคล็อกเคนเออร์หนีมันเป็นเวลาสิบนาฬิกาคล็อกเมันเป็นเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาคลมันเป็นเวลาสิบสองนาฬิกา หนึ่งนาทีมีหกสิบวินาทีหนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาทีหนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมงหดือนมีสี่สิบ